จะให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมันตไคร่ใช่ไหมในเกี่ยวกับพุทธพยาฑ์เกี่ยวกับเรื่องการภเกี่ยวกับเรื่องการภัณ์เหตุการณ์ของโลกนะก็พระองค์ก็ตรัสไว้บ้างพอสมควรนะแต่ไม่ได้ถึงกับลงรายละเอียดอะไรมากพราะอาจจะมีการลงรายละเอียดใน ส่วนของอผู้ที่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้าไปนี่เรียกว่าอาตารย์ตาหรืออาจารย์รุ่นหลังที่ต้องการให้ความเห็นเพิ่มเติมแต่ที่พระองค์ตรัสไว้จริงๆก็ก็มีไม่มากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรอย่างในเรื่องของวงรอบการมีอายุไขของมนุษย์เนี่ย ท่านก็เคยบอกไว้ว่าแต่ก่อนมนุษย์เนี่ยมีอายุถึง80 0 0 0ืนปีนะ <c oughs> แล้วก็ทาปิดสินทรมาเรื่อยนะมนุษย์ก็อายุลดลงลดลงลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคมนุษย์อายุ1้อยปีนะพระเจ้าของเราก็มาเกิดนะมาตรัสรู้หลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยจะอายุลดลงเรื่อยๆไปจนกระทั่งยุคสุดท้ายคือ หรืออายุ10ปีแล้วก็มีเครื่องสังเกตในช่วงมนุษย์อายุ10ปีพนะุเจ้าก็บอกว่ากุลเชษตาปาัญญธรรมจะไม่มีหมายถึงการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำไม่มีสูงต่ำกันแล้วพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ไม่มีนะทุกคนเหมือนเสมอกันหมดนะไม่เคารพกันสแสดงว่าในเรื่องของความเคารพ การ น, นี้ก็เป็นคุณธรรมที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ผู้เจ้ามองนะเป็นบางมุมอาจจะถูกมองไปในแง่ของกิเลสนะว่ามีเหลื่อมล้ําต่ําสูงมียศตาบรรดาศักว์นะแต่มุมที่ดีก็มีนะเป็นการลดละความถือเนื้อถือตัวลดละกิเลสมาลนะความยึดมั่นถือมั่นแตนะ่แสดงว่าผู้เจ้าเห็นว่ามันเป็น คุณธรรมฝ่ายดีท่าน <c oughs> เลนจัดเอาไว้ในลักษณะของธรรมะฝ่ายดีนะซึ่งธรรมะนี้จะหมดไปนะเมื่อมนุษย์อายุเหลือ10ปี <c oughs> ก็สังเกตอย่างอื่นนะพุทธเจ้าบอกว่าผู้หญิง5ปีจะเริ่มมีบุตรละการมีบุตรของผู้หญิงจะลดลงเรื่อยๆรช่วงนี้ที่ได้ยินกล่าวก็รู้สึกว่าประมาณ10ปีหรือไง แล้วมีแล้วก็วจะลงไปอีกเริ่งสังเกตอีกอย่างท่านบอกว่าอาหารประเภทในสายในข้นน้ามันน้ําพึ่งน้ำอ้อยไม่มีมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้า <c oughs> กินหญ้าเป็นอาหารหนัตมาก็มาพิณาว่ามันดัดแปลงบรรทุกรรมไปเรื่อยๆเนี่เดี๋ยวอาหารมันจะหมดโลกกันได้สักวันทุกอย่างไปพึ่งอย่างโรงงานถ้าโรงงานมันพังไปเนี่ย ผลิตอาหารในโลกไม่ทันนะั่นเมล็ดก็ไม่มีให้ต่อสายพันธุ์หมดเกลี้ยงทุกอย่างพยายามจะรวมศูนย์หมดนะก็นาคตอาจจะเป็นอย่างที่พระองค์บอกก็ได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยของมนุษย์ที่ทำกันเองนั่นแหลนะความโลภความที่ต้องการมีมีมากกว่าคนอื่นนะอย่างไม่มีประมาณแล้วท่านก็บอกว่า มนุษย์จะมีการฆ่ากันรา่ากับเนื้อกับปลาทุกคนมีอาวุธในมือทุกคนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็ต้องรักษาตัวเองระวังตัวเองทุกคนก็เลยต้องมีอาวุธไว้คอยป้องกันตัวเองทุกคนก็คงยังไม่ถึงมั่งเนี่ยแล้วจะเกิดการสมสู่สมเพศสำส่อนแบบแพะแกะ่ไก่สุกรช้างโคมา้านะลักษณะเดียวกัน <c oughs> นี่เป็นเครื่องสังเกต ในยุคมนุษย์อายุ10ปีและท่านบอกจะเกิดสันตัตลระรกับก็คือมีห่วงเวลาอยู่ระยะหนะึ่งประมาณ10วันจะเกิดการฆ่ากันตายตลอดเกิดการเข็นฆ่ากันอย่างเดียวทั้งโลกก็จะเหลือบุคคลบางกลุ่มบางเหล่าที่ไม่ร่วมอยู่ในวงนีนะ้ออกไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าก็เหลือแต่คนกลุ่มนั้น หลังจากฆ่ากันตายเกือบหมดแล้วเนี่ยก็คนกลุ่มนี้ออกมาแล้วก็เห็นความสำคัญของศีลธรรมก็พยายามค่อยๆฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะมนุษย์ก็มีอายุยืนขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 80,000 ่นปีครั้งหนึ่งนะพระองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยะก็จะมาตรัสลูในยุคนั้น เราก็มองได้ว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นวงรอบของมนุษย์แปดหมื่นลงมาเหลือสิบแล้วก็ขึ้นไปแ0ดหมืนอีกทีผู้เจ้าอา จ, จะอธิบายหนึ่งวงรอบของชีวิตอายุไขของมนุษย์เนี่ย <c oughs> ในอีกเรื่องหนึ่งก็จะบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องของการขาดคุณธรรมของผู้ปกครองเมื่อพระราชาไม่มีธรรมหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่มีธรรม นะก็ทําให้ <c oughs> พวกอํามาตยนะ์ข้าราชาการทั้งหลายเนี่ยไม่มีธรรมไปด้วย <c oughs> เมื่อข้าราชาการมหาหมาทั้งหลายไม่มีธรรมะพวกชาวบ้านก็ไม่มีธรรมะไปด้วยมันก็ไล่กันเป็นลูกระนาดไปนะมันก็ขาดศีลธรรมไปเรื่อยๆ <c oughs> ต่างคนต่างก็ไม่สนใจในคุณงามความดีก็เลยเป็นเหตุให้ ผลฟ้าเนี่ยไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะอากาศปิ๊บผลิตาจมามามองเหมือนกับว่าอย่างเมื่อคนอไม่มีศีลธรรมพวกเนี่ยเราห้ามอ่ะโรงงานอย่าปล่อยสารพิษนะเขาก็ปล่อยปล่อยทั้งลงน้ําปล่อยทั้งขึ้นอากาศจนเป็นในเรือนกระจกอะไรกันบ้างเยอะแย่ไปหมดห้ามกันก็ไม่ฟังนะก็มีแต่ประโยชน์ คิดถึงประโยชน์แต่ไม่คิดถึงโทษนะก็ทําให้ฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลปุจ้าบอกมันเป็นเหตุไปจนกระทั่งดวงดาวเนี่ยเดินผิดวงรอบของมันเองนะเมื่อดวงดาวเนี่ยมีการโคจรไม่สม่ําเสมอนะมีปริวัตรไม่สม่ําเสมอก็เป็นเหตุให้ฤดูกาลเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อย ก็เลยเป็นเหตุให้พืชพันธัญญาหารเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์ผลของมันก็สุกแก่ไม่สม่ำเสมอมนุษย์ทั้งหลายก็เลยบริโภคผลไม้หรือพืชพันธัญญาหารที่สุกแก่ไม่สม่ำเสมอจึงเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยอายุสั้นหรือมีความทุโปรภาพเกิดขึ้น นี่ก็เป็นสายปฏิจจสมุปบาทของการทุพพลภาพหรือความอายุสั้นของมนุษย์เนื่องจากการขาดศิลธรรมตั้งแต่ชนชั้นผู้ปกครองไล่มาเรื่อยๆซึ่งจะมีในอนาคตอย่างนี้แล้วก็อีกอเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการที่พระองค์ <c oughs> พยากรณ์ในอนาคตว่าอีกหลายแสนปีเนี่ย อีกหลายแสนปีมากจะมีฝนแรงนะเกิดขึ้นคงพวกเราคงไม่ทันคนะงอีกนานนะเมื่อมีฝนแรงพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ล้มตายนะเป็นอันมากก็จะเกิดการขาดแคลนอาหารกันไปค่อนข้างทั่วโลกนะแล้วจากนั้นนะไม่ได้บอกจำนวนปีแล้วท่านบอกอีกการนานไกลมากนะจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองเกิดขึ้นนะ ดวงเดียวก็จะแยกแล้วนี่นะใครว่าโลกร้อนตอนนี้ยังไม่ร้อนจริงนันเนี่ยจ้าก็บอกพวกห้วยน้องกลองบึงต่างๆเนี่ยน้ำมันจะเริ่มเหือดแห้งลงโลกจะร้อนขึ้นนะแล้วท่านก็บอกว่าอีกการนานไกลก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏพวกแม่น้ำสายเล็กๆน้อยๆก็จะเริ่มแห้งเริ่มงวดไปอันนี้ก็ดวงอาทิตย์ดวงที่สองยังไม่ปรากฏนะั้นนี่ แม่น้ำบางสายในโลกนะทะเลสาบอะไรกห็หายไปแล้วนะเริ่มหายไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าอีกการนานไกลก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏทีนี้น้ำทะเลเริ่มเริ่มแห้งเริ่มงวดลงแล้วก็อีกการนานไกลนะแต่และดวงแต่และดวงนี่นานมากท่านก็แบ่งเป็นวงห่วงหงงก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้าทะเลเริ่มงวดลงเหลือแค่ ลอยเท้าวัวควายอย่างนี้ก็คงจะเป็นแองใหญ่พอสมควรนะถ้ามองจากฝั่งแล้วก็อีกการนานไกลเหมือนกันดวงอาทิตย์ดวงที่หกก็จะปรากฏอันนี้พื้นแผ่นดินเริ่มเริ่มละอุแล้วก็บอกว่าอีกการนานไกลดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดก็จะปรากฏช่วงดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏก็พื้นดินจะละลายทั้งหมดท่านบอกว่าใครเล่าจะคิดว่ามหาปฐพีนี้ หลอมเหลวละลายไปได้นะนอกจากผู้มีญาณนะอันเห็นแล้วท่านสรุปลงในความเป็นอนิจจังว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยแม้แต่โลกใบนี้ก็ไม่เที่ยงเหลวละลายไปได้ท่านก็จบไว้ไว้แค่นี้ในเรื่องของความเป็นวางไว้ในความเป็นอนิจจ์นะอาตมามาพิจารณาต่อเองว่าในเมื่อมันมาได้มันก็ไปได้นะ ต่อไปมันก็อาจจะไปทีละดวงทีละดวง ท, ลวงทีละดวงก็ได้นึกเหมือนว่าดาวหางฮันเล่มันไม่รู้กี่สิปีมันจะมารอบนึงเนี่ยนะตอนนี้เรามีความรู้แค่ว่าพวกดาวฤกษ์เนี่ยมันไม่วิ่งมันไม่โคจรแต่อาจจะมีดาวฤกษ์ที่โคจรก็ได้เราในในจักรวาลนี่เรายังมีอะไรไม่รู้อีกเยอะแล้วความรู้ใหม่ๆก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันตั้งแต่มีการเอากล้องโทรทัศน์ นะส่องดูดาวนีออกไปนอกโลกเราได้เห็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะเหมือนที่องค์การนาซาก็ทำแผ่นที่จักรวาลขึ้นมานะถ้าใครเคยเห็นก็คงจะโมโหมันมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะ ม, มันมีกาแล็กซี่ที่ซ้อนซ้อนซ้อนกันของกาแล็กซีแล้วกาแล็กซีแต่กาแล็กซี่ก็โคจรไปรอบๆกันเองอีก มีกลุ่มของกลุ่มกาแล็กซีที่โคจรรอบกันเองอีกแล้วแต่ละกลุ่มของกาแล็กซีก็ยังวิ่งเคลื่อนไปด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงอีกทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่จะต้องรู้ในเรื่องของโลกอีกอย่างไม่ไม่จบเราคิดว่าถ้ามันมีการเคลื่อนออกไปโลกอาจจะกลับมาเย็นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีวิวิวัฒนาการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะก็ได้ซึ่งในเรื่องนี้ ไม่รู้ว่าเป็นระยะของอสงไขยหรือเปล่าซึ่งคำว่าอาสงไขยกับสังวัตกับวิวัตกับไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันเท่าไหร่ให้ที่พูดกันไว้ก็เดากันไปนะอัตตกถาก็พูดกันไว้นะแต่ไม่มีพุทธวจนะหล่องรับว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ไม่มีใครถามพระเจ้าในในเรื่องเหล่านีนะ้หรืออย่างกับเนี่ยก็ว่ากันไปว่า บางทีมีหลายมาตรานะอย่างหนึ่งก็หนึ่งตามด้วยอีกร้อยสี่สิบศูนย์ปีนะศูนย์ร้อยสี่สิบตัวมันกี่ปีกันเนะนะหรือว่าเอาผ้ามาลูบภูเขาไปเรื่อยๆจนว่าภูเขามันบางนะมันลาบไปเป็นพื้นดินอย่างเนี้ย <c oughs> ก็หามาตราวัดกันแต่ไม่มีพุทธวจนะรองรับแต่เราก็มาประเมินกันนะอาตมามาพิจารณาในคําของผู้เจ้าเองว่ามันอาจจะมี <c oughs> แง่มุมที่บอกในเรื่องนีนะ้ในเรื่องกลับอาจจะเป็นตั้งแต่วงจรของมนุษย์8ปดหมื่นลงมา10บแล้วขึ้นไปแ 0,000 นก็ได้นะหรือว่าอสงไขยจะเป็นช่วงของการที่โลกละลายไปครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งมันนานมากหรือที่พระเจ้าอุปมาในเรื่องของความยากในการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์การได้มาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ การที่ศาสนาจะแป่ไปสารไปทั่วโลกหรือการที่สัตว์เดรัจฉานจะเปลี่ยนภพภูมิขึ้นมาเป็นมนุษย์นั้นนะมีความยากในลักษณะเดียวกันก็คือเหมือนเปรียบเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมีน้าท่วมแล้วมีบุรุษคนหนึ่งย่อนไม้ไผ่ลงไปในน้านั้นไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวในน้ำนะมีเต่าตาบอดร0อปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่ง ไอ้ไม้ไผ่นั้นก็ถูกกลมพัดไปเหนือใต้ออกตกพระเจ้า ก, ก็ถามสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโพรมาธีจะเจอไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอไปในรูไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวสาวกโอโหยากมากท่านก็บอกนี่แหละคือความยากในการได้อัตภาพมาเป็ น, ม, ปนมนุษย์การได้มาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพสาลไปทั่วโลกนี่คือ3มสิ่งที่ยากเสมอกัน แล้วก็พระองค์กัดไว้อีกในยะหนึ่งซึ่งใช้อุอ ป, ปมาเดียวกันคือการที่เดลฉานจะได้พบภูมิกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์นะก็ยากมากเหมือนกันในลักษณะเดียวกันเพราะฉนั้นถ้าเร า, าพลาดพลั้งตายไปไปอบายนี่โอ้กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกทีไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษาจิตใด้ดีในเรื่องของการที่ท่านอุ ป, ปมาเรื่องน้ําท่วมโลกเนี่ยอาตามาก็เลยพิจารณาว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ณเวลาหนึ่งจะมีน้ำท่วมโลกเพราะผู้เจ้าหนึ่งไม่พูดเผอเจอไม่พูดเล่นไม่พูดเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่พูดเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ถึงจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ถ้าไม่มีประโยชน์ผู้เจ้าไม่พูดอีกงเหมือนกันนั้นอะไรก็ตามที่ผู้เจ้าอุ ป, ปมามา น, น่าจะมีนัยยะสาคัญอะไรบ้างพอสมควรซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปหรือเป็นวงรอบ ของโลกก็ได้นะก็นี่ก็คือลักษณะของอเหตุการณ์ต่างๆที่พู้เจ้าพยากรณ์ไว้จากพระโอษฐ์ของพระองค์ส่วนภายในด้านธรรมะเนี่ยก็เช่นว่าในอนาคเนี่ยก็จะมีภิกษุที่ไม่สนใจคำของพระพุทธเจ้านะมัวแต่ไปสนใจคำของคนที่แต่งขึ้นใหม่นะก็เลยเป็นเหตุให้ คำของตถาคตเนี่ยค่อยๆ อ, อันตรฐานเสื่อมไปเสื่อมไปหายไปจากโลกนะท่านก็เปรียบเหมือนกล่องศึกของกษัตริย์พูกทศาทาสรรหัชื่ออนากานั้นมีอยู่นะเมื่อตีไปตีไปนะกล่องนี้ก็มีแผลแตกกษัตริย์ก็หาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมลงไปในรอยแตกนั้นตีไปใหม่ก็นานไปเข้าก็แตกอีกก็ ทำอย่างเดิมอีกหาเนื้อไม้ใหม่ทาเป็นริ่มเสริมไปในรอยแตกตีไปตีไปอีกก็แตกอีกนะก็ทำอย่างเงี้ยทุกคราวทุกคราวไปพระองค์ก็บอกว่าในที่สุดแล้วเนื้อไม้เดิมของตัวก่องก็หมดสิ้นไปเหลือแต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนะนี่คือความอันตรธานของคำของตถาคตเพราะไม่มีผู้มาสนใจคำของพระพุทธเจ้าแล้วในทางกับการพระเจ้าก็บอกให มาสนใจคําของท่านเถิดนะสุดตันตะเราใดนะที่เป็นคําของตาตาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญตตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเรานั้นมากล่าวอยู่ในเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยวฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ใน ด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้และเธอย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยนี้ให้มันคลายลงคลายลงไปได้นี่ก็เป็นเป็นเหตุอันตรายอย่างในอนาคต ก, กาลนะอาตมาเห็นพุทธวจนะตรงนี้เห็นพุทธประสงค์ตรงนี้ก็จึงพยายามที่จะฟื้นฟูหรือยกขึ้นซึ่งพุทธวจนะนะในการบอกสอนก็พยายามจะ ถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปให้เราได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรจริงๆในการศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนานะก็ต้องใช้คำพุทธเจ้าเป็นหลักนะเพื่อไม่ให้คำพุทธเจ้าสูญหายไปจากโลกเพราะพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เลิศที่สุดเก่งที่สุดแล้วการอธิบายการใช้บทพัญชนะต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าไม่มีข้อผิดพลาด เพราะผู้เจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวส่วนสาวกทั้งหลายเนี่ยการพูดนะแม้แต่อัตมาเองการพูดก็ยังมีข้อผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นเราจะลดข้อผิดพลาดของเราได้อย่างไรก็คือเราต้องถ่ายทอดพุทธวจนะคำของผู้เจ้าก็จะมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดผู้เจ้ายังบอกว่าภิกษุที่เป็นเถระแล้วแล้วเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในมหาชนแต่ถ้า นำพามาหาชนไปในทางที่ผิดด้วยการบอกสอนผิดถ่ายทอดผิดนะจะทำให้เกิดโทษทุกข์แกมหาชนเป็นอันมากนะเช่นด้วยการชักชวนในการกระทำทางกายที่ผิดแนวทางพุทธศาสนาผิดแนวทางคำสอนของพระองค์ชักชวนมาหาชนให้มีการกระทำทางวาจานะที่ผิดที่ออกไปนอกแนวทางนะคำสอนของพระองค์ ชักชวนมหาชนให้บําเพ็ญเพียรทางจิตที่ผิดไปนอกแนวทางสัมามัชผิดนอกแนวทางพุทธศาสนาหรือคาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นเหตุให้พลัดลงไปสู่มิจฉาทิฐิจะยังทุ่ทุกแกมหาชนเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นภัยที่ท่านเตือนไว้แล้วก็บอกสอนไว้กับ พิสษุผู้เถระทั้งหลายนะพิกษุที่เถระหมายถึงพิสษุที่อยู่นานบวชมาแล้วตั้งแต่สิบปีขึ้นไปนะบุเจ้าก็มองว่าสิบปีหมายถึงผู้อยู่นานนี่ก็เป็นลักษณะของภัยประเภทต่างๆแต่ทีเ่เคยได้ยินมาบ้างนะเคยได้ทราบมาบ้างเกี่ยวกับพุทธธรรมนายหรือพุทธพยากรณ์รู้สึกว่าเราจะมีการ ปรุงแต่งเพิ่มเติมกันไปมากนะทำให้สังคมเกิดความวันวิตตกนะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะถ้าเราพยายามรักษาศีลสมาธิปัญญารักษาธรรมวินัย<ม>เอาไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตัวเรานะปฏิบัติกายวาจาใจของเรานะให้ถูกต้องตรงทางที่พระองค์ได้แนะนำบอกสอนเอาไว้ก็จะ ไม่มีปัญหาในตรงนี้มันก็จะเป็นบุญเป็นบา ร, รมนะีของหมู่คณะสังคมนั้นของประเทศนั้นนะซึ่งถ้ามีเหตุเพศภยัยภัยพิบัตินะก็จ ะ, ะแค้วคาดได้มากกว่าหมู่ชนอื่นที่ไม่ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเราเราประพฤติปฏิบัติดีกว่าสร้างคุณงามความดีดีกว่านะดีกว่าไปนั่งกังวลนั่งกลัวเฉยๆแล้วก็ ไม่มีประโยชน์อะไรมาสร้างเหตุปัจจัยของการรอดพ้นจากภัยอันตรายและอุปสรรคทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่คนพาลอุปสรรคไม่เกิดจากบัณฑิตภัยเกิดจากคนพาลภัยไม่เกิดจากบัณฑิตเพราะฉะนั้นก็ให้เราทําตัวเป็นบัณฑิตด้วยการประพฤติชอบทางกายทางวาจาทางใจและภัยอุปสรรคทั้งหลายก็จะ ลดทอนลงไปบรรเทาลงไปการเกิดขึ้นแห่งสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปตามกรรมเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในหลักของกรรมโสดาบันเชื่อมั่นในหลักของกรรมเชื่อมั่นในการกระทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมารดนบันดาลให้อะไรเป็นอะไรได้พรห ม, มทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้กรรมเทวดาทั้งหลายก็ตกอยู่ภายใต้ กรรมคือการกระทําของตัวเองมนุษย์ทั้งหลายนระกกัาเนรเดชานเปรตวิสัยสิ่งมีชีวิตในโลกฝ่ายสมมตนะิทั้งหมดก็เดินไปภายใต้ใตกฎของการกระทําของตัวเองทั้งนั้นและกรรมนี้จริงๆผู้เจ้าก็บอกว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยใครว่ากรรมเนี่ยมันเกิดเพราะผู้อื่นกระทําหรือกรรมเกิดเพราะตนเองกระทํา หรือว่ากรรมเกิดเพราะตนเองและผู้อื่นกระทําหรือว่ามีความเห็นว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆไม่ใช่ทั้งตนเองและผู้อื่นไม่มีเหตุปัจจัยทั้ง4ความเห็นนี้ผู้เจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดแล้วคนก็ถามว่าแล้วกรรมมันเกิดจากอะไรตนะกลงนะอะไรว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไม่ใช่พระเจ้าจึงบอกว่ากรรมเกิดเพราะผัสสะหรือสัมผันธสเป็นเหตุ ปัตตะเป็นเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทําขึ้นมาการกระทําของวิญญาณกับรูปนามนั่นเองครูเจ้าบอกโลกทั้งโลกทั้งหมดเนี่ยในโลกกระท่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานอะไรก็ตามมันมีก็เพราะการทํางานของวิญญาณกับรูปนามเท่านั้นเองไม่มีอะไรถ้าเราแก้ปัญหาการ ทำงานของรูปนามกับบิญญาณได้ทุกอย่างก็จบลงท่านบอกคลองแห่งการเรียคลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญานะก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องรูปนามกับปิญญาณแค่นั้นก็เลยเลยว่ามหันตภยัยเพศภยัยภัยพิบัติต่างๆนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมัน อยู่ที่ไหนก็ตายได้หมดนะมันไม่ต้องมีภัยพิบัติมนุษย์ก็ตายกันอยู่แล้วนะทุกวันนี้มนุษย์ก็ตายกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีภัยอะไรก็ภัยจากความแก่เจ็บตายความเสื่อมสลายในตัวของตัวเองมันก็มีอยู่แล้วนะนั้นให้เราแก้ปัญหาอย่างถูกทางดีกว่านะด้วยอริยมัติมีองค์แปดซึ่งพระองค์บอกว่าเป็น กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมถ้าเราต้องการสิ้นกรรมพ้นจากกรรมหมดกรรมให้ปฏิบัติต ร, ตรงนี้ตรงนี้พระองค์ก็บอกว่าเป็นมนเครื่องปัดเป่าถ้าจะสะเดาะเคราะถ้าจะปัดเป่านี่ให้มาปัดเป่าอย่างนี้อริยมรรคมีองค์แเป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะเรียกว่าวิเลจรังยาถ่ายอันเป็นอริยะถ่ายความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้ นะความแก่ความเจ็บความตายดับไปได้หายไปได้จบได้หมดได้เป็นกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนที่ดีของเราที่แท้จริงคืออริยมรตมีองแปดเป็นธรรมยานนะเป็นยานเครื่องนำไปให้ถึงความพนทุกข์ให้ถึงความไม่ตายตัวมรตมีองค์8นี้เป็นได้หลายชื่อเลยเกินนะี่ครจแตกแยกย่อยออกไปแล้วแต่เหตุปัจจัยที่ท่านจะไปเทศนาสั่งสอนนะ หรือท่านบอกกับนางพรามณีที่กําลังทําทพิธีบูชาอยู่ก็บอกว่าเธอทําอะไรอยู่เหรอก็บอกว่าเราทําพิธีปัญจโลหินีก็บอกลองอธิบายพิธีของเธอไปสิเขาก็อธิบายเอาเนยใสยเนยข้นอะไรมาบูชาจุดไฟบูชาอะไรต่ออะไรแล้วนางพรามณ์ก็ถามว่าแล้วสมณะโคดมอนะ มีปัญจโลหินีบ้างไหมครเจ้นะาก็บอกมีปัญจโลหินีของเราก็มีเราก็ประพฤติอย่างนี้ท่านก็อธิบายอริยมรตมีองค์แปดไปแล้วก็สรุปว่านี่คือปัญจโลหินีของเราเพราะฉะนั้นตัวมรคมีองค์ปเนี่ยมันเป็นเป็นมาตรฐานกลางนะเป็นข้อประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอันเป็นไปเพื่อความพ้นแก่เจ็บตาย นะยางถาวรพระองค์จึงเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีการกระทาอย่างนี้แล้วกรรมทั้งหลายจบไปได้หมดไปได้เราสะละข้อให้ตายกรรมไม่หมดหรอกไม่หมดถาวรแต่ถ้าศีลสมาธิปัญญาหมดแน่นอนหมดถาวรไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็แล้วแต่ว่าใครตั้งนโยบายชีวิตไว้ขนาดไหนต้องการหมดแค่ไหน แต่ถ้าตั้งไว้เตีต้ยๆต่ำๆเกินไปนี่มันก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างหรือตั้งไว้แค่เป็นเทวดาเป็นพรหมนะเหมือนพูะเจา้าบอกว่าบางคนก็ประพฤติปรหมาจันเพื่อเป็นเทพ ย, ายดาองค์ใดองค์หนึ่งผู้มีศักดาน้อยศักดาใหญ่ก็ตามในเรื่องของสังขารเรื่องของวิญญาณเรื่องของนำรูปนะในสีนัยยะของสังขารวิญญาณนำรูปผัสสะ เนะวทนาตัณหาอุปทานพบชาชลาโมณนะก็ตามอันนี้รวมเรียกว่ า, ามียาณวัตถุ44นะ่สรู้สี่นัยยะของ1ิเอาการรวมเป็น44หรือญาณวัตถุถูเ7็ก็คือรู้แค่เหตุเกิดกับความดับ2 อ, อย่างรู้เกิดรู้ดับเห็นความอยากเห็นความอยากเกิดดับเห็นเวทนาเกิดดับนะเห็นอุปทานเกิดดับสายใดสายหนึ่งของปฏิจจากก็ตาม อาการของจิตเนี่ยที่ไหลไปแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ในอดีตและอนาคตว่าอดีตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างละสองอดีตอนาคตรู้สองอาการนี้นะสองสามหกแล้วนะแล้วก็อย่างที่เจ็ดรู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างที่เจ็ดเจ็ดอย่างในสิบออาการก็เป็นเจ็สิบเจ็ดนี่ความรู้ ก็เรื่องของจิตอาการของจิตตัวเองทั้งหมดนะที่มันไหลไปตามเหตุปนะัจจัยเช่นว่าถ้าโยมมีผัสสะกระทบมาแล้วนะสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือโยมจะรู้สึกพอใจไม่พอใจหรืออุเบกขาเช่นะหูฟังเสียงมาปุ๊บว่าเสียงที่ดีที่น่าฟังก็รู้สึกมีความสุขเสียงไม่ดีไม่น่าฟังก็ไม่ชอบมาแลไอ้ น, นี่พูดไม่ก้าท่าเลยใช่ไหมอย่างนี้หรือบางครั้งเราก็ฟังมาแล้วก็เฉยๆ นะไม่สุขไม่ทุกข์อาจทุกข์ก็มาสุขนั่นเองนะเราก็รู้ว่าเวทนานะมันเกิดเพราะว่ามีผัสสะเป็นเหตุและเมื่อเรามีเวทนาสิ่งที่ตามมาก็คือตัณหาคือความอยากเพราะเราพอใจในเสียงอันนี้เออซื้อซีดีสักแผ่นก็ดีเอาไปฟังที่บ้านหนะนะน่อยนี่เกิดความอยากนะมีการแสวงหามีการได้โปร่งใจรักกาหนัดได้ความพอใจสยบมัวเมาจับอก จ, จับใจแต่หนีห่วงกัน อาการของจิตจะไหลไปเปื้เป็นสายอยู่ที่ว่าเราสังเกตได้ทันตอนไหนขนาดไหนเท่า น, นั้นเองนะใครสังเกตเห็นทันเห็นอาการทันนะตรงนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นมีสติมีสัพปพปัญญานะรู้ทันในสายอาการของจิตของตัวเองซึ่งทุกคนมีหมดผู้เจ้ามีอาตมามีพวกเรามีเป็นธรรมชาติที่มีเสมอกันทุกคนนะเรามาศึกษาธรรมชาติความเป็นจริงอย่างนี้นี่ก็คื อ, คอนัยยะต่างๆของความเป็นโสดาบันนะก็จะมีอีก หลายนัยยะเหมือนกันนี่ยอันนี้เอาพอคร่าวๆขออนุญาตขอโอกาสครับ uh huh. อยากจะขอให้ท่านพระอาจารย์โปรดเมตตาช่วย uh huh. อธิบายการเจริญอานาปนานสติ uh huh. ตามแบบที่ถูกต้องตามที่ตามที่พุทธวจนะได้บรรบุไว้ uh huh. อเกี่ยวกับการเจริญอานาปนานสตินะก็พระเจ้าได้สอนอานาปานาสตนิไว้กับ บุคคลต่างๆรนะวมทั้งภิกษุด้วยนะแล้วก็บุคคลต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะอานาปานสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ผู้เจ้าสันเสริญไม่มากมีอานิสงส์มากนะท่านบอกว่าบุคคลใดนะกรททำให้มากจเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติสมาธิผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออารหาัตผลในทิฏฐธรรมคือเป็นพระลนในปัจจุบัน หรืออานาคามีผลถ้ากิเลสยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามนะบุคคลใดก็ตามมากระทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอานาปานาสติสมาธินี่ก็คื อ, คอนี่ก็คือผลที่เขาหวังได้ในปัจจุบันเขาจะได้เป็นพระหันในปัจจุบันหรือพระอนาคามีบุคคลถ้ากิเลสเขายังเหลืออยู่นะพระเจ้าบอกว่าบุคคลใดกระทําให้มากจเจริญให้มากนะย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่อย่างลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นปรโยสานคือมีความไม่ตายเป็นที่สุดจะเข้าถึงความไม่ตายนะผู้ใดกระทำให้มากจเจริญให้มากว่านั้นใครก็ได้ใครก็ได้ที่มาจเจริญอาณาปานสติสมาธินี้เขาจะให้ผลตามนี้มีคนทำตามไหมมีภิกษุทาตามมากมายเยอะแยะนะเช่นใครพระมหากรินนะ พระมหากัปพินนนี่เจริญอาณาปานาสิชำนานมากชำนานมากจนกระทั่งเวลาท่านนั่งในที่ประชุมสงหรือว่านั่งในที่หลีกเล้นอยู่ผู้เดียวภิกษุไปสังเกตเห็นบอกว่าตัวท่านนิ่งไม่ขยับไหวติงเลยก็เป็นที่โจท์ขานกันในหมู่ภิกษุก็เลยเอามาถามพู้เจ้าว่าเอ๊ะทำไมเห็นพระมหากัปปินน นั่งในที่ไหนกายไม่ไหวติงเลยนิ่งตลอดเลยครูเจ้าก็บอกว่าเป็นเพราะท่านเนี่ยจเจริญอาณาปานสติอย่างชำนิชำนานนะทำให้จิตนั้นไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงนะการไหวโครงของกายมีได้เพราะการไหวโครงของจิตครูเจ้าก็เลยสรุปให้ภิกษุเหล่านั้นฟังนะถ้าจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครง นี่เราก็เลยได้ประโยชน์รู้ว่าออการไหวของกายเนี่ยมันเป็นเพราะจิตมันไหวนะจิตมันมีการเคลื่อนเพราะนั้นถ้าจิตถูกฝึกมาอย่างดีให้นิ่งกายก็จะนิ่งไปด้วยนะนี่ตัวอย่างของป้าหมา ก, กับปินะหรือตัวอย่างในครั้งเพื่อการที่มีภิกษุทั้งหลายฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากนะด้วยการพิจารณาอสุภกรรมฐาน แล้วเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายก็เลยฆ่าตัวตายกันเป็นจำนวนมากจ้างให้เขาฆ่าบ้างฆ่าตัวตายเองบ้างผู้เจ้าออกมาจากที่วิเวกฤกเลนก็ถามอาอนอนท์พิสูหหายเป็นไหนกันหมดอานอนท์ก็บอกพิสูห์ฆ่าตัวตายกันเต็มเลยเอา้าวมันเป็นยังไงละเนี่ยท่านก็เลยสั่งประชุมสงฆ์หมดเลยนะ้วก็ตาหนนะิการกระทาอย่างนั้นว่าไม่ไม่สมควร ท่านบอกว่ากายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายเพี่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉนั้นในเมื่อมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของคนอื่นมันก็เหมือนการทําปาณาติบาสนั่นเองการฆ่ามนุษย์นี่ถ้าภิกษุทํำนี่ขาดจากความเป็นพระทันทีทําไม่ได้ไม่ให้ทํา คนะ่ามนุษย์นั้นเหมือนกันนะปิกสุฆ่าตัวตายผู้เจ้าจริงตําหนิมากเรียประชุมส่งแล้วก็สั่งห้ามนะปรับความผิดนะแล้วก็เลยนะสอนอารมณ์กรรมฐานใหม่คืออาณาปานาสตนะิให้แก่ปิกษุทั้งหลายว่าอาณาปานาสตินี้ให้เธอมาทําตรงนี้แทนนีนะ่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่เป็นกลางกลางเพราะบางคนเนี่ยนะพิณา อสุภะก็รู้สึกกลัวกลายเป็นกลัวมากขึ้นนะหลายหลายๆคนมาถามตำมา ก, ก็บอกพิณาไม่ได้เรื่องอสุภานีรู้สึกกลัวนะก็ไม่เป็นไรมันมีวิธีอื่นที่ทําอีกเยอะและเป็นวิธีที่ง่ายด้วยนะเช่นอานาป่าหรือพิจารณาพัรษะการพิจรณาพัรษาแยกองค์ประกอบของพรรษาออกเนี่ยนะว่าเป็นรูปเป็นลูกตา นะเป็นวิญญาณทางตาเป็นเสียงเป็นหูเป็นวิญญาณทางหูนะให้รู้ทุกๆุกอายตนะที่มีผัสสะครูเจ้าบอกว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนี่บอกไว้เองเลยว่าปฏิปทานี้สบายนะไม่ต้องไปอดหลับอดนอนอดอาหารนะทรมานกายอะไรนะทุกครั้งที่มีผัสสะพิณานะเห็นรูปปุ๊บมองรูปเออมองเห็นแก้วนี่แก้วก็ไม่เที่ยงนะที่สุดมันก็ต้องแตก หลงว่าชาบอกว่าหยิบแก้วน้ำขึ้นมาทีไรก็ให้พินาแก้วใบนี้มันแตกแล้วนะทุกครั้งนะเห็นอนิจจังของมันเห็นทุกขังของมันนะเห็นความแก่เจ็บตายของมันความเสื่อมของมันนั่นเองพินาภัสสาะพินารูกตาตาที่เห็นรูปนะลูกตาก็ไม่เที่ยงตาก็ใส่แว่นบ้างทำเลสิกบ้างทำอะไรบ้างเสื่อมกันไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่คงที่พินาไปทุกทุกอายตนะเลย นี่ใครทำอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยจะเข้ามรรคผลนิพพานได้สะดวกได้ง่ายลองดูสินี่นะเรียกว่าเราหยิบมรรควิธีที่ผู้เจ้าเห็นว่ามันง่ายเอาไปทําเลยเนี่อะไรมรรควิธีผู้เจ้าพูดไว้เนี่ยหลากหลายให้เราหยิบวิธีง่ายไปก่อนอย่าไปหยิบวิธียากทุกขาปฏิปทามีนะสุขขาปฏิปทามีทุกขาปฏิปทาทันตาพิญยาทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติลําบากสําเร็จเร็วปฏิบัติลําบากสําเร็จช้า สุขาปฏิบัปทาขิปาปิญญาทุกสุขาปฏิปทาทันตาปิญญาปฏิบัติสบายสําเร็จเร็วปฏิบัติสบายสําเร็จชามีนะนี่ี่แบบของวิธีเพราะฉะนั้นอะไรที่ผู้เจ้าอสอนน้อยนะไม่ค่อยแนะนําพูดไว้ธรรมดาธรรมดาก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปหยิบเอามานะเลือกที่ท่านสันเสริญไว้ก่อนการสรรเสริญของท่านเองท่านบอกเองว่ามันสะดวกสบายการบอกอ น, นิสงฆ์ไว้มากนะการพูดบ่อยสอนบ่อย นั่นแหละเป็นลักษณะที่เราสังเกตเถ็นว่าท่านแนะนำแล้วว่าทางนี้มันดีการบอกกับคนแก่คนเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตพวกนี้มีเวลาน้อยในการพิจารณามันต้องเป็นวิธีที่ง่ายหยิบมาใช้ก่อนวิธีพวกนี้เข้าใจไหมีหลักในการสังเกตนะอานาปานสติก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้การสังเกตเหล่านี้คือพุทธเจ้าบอกอ น, นิสงส์งไว้มากที่สุดนะลองไปดูพุทธวจนะ เรื่องอนาปานสติจะบอกอ น, นิสงส์งไว้มากเลยเป็นปึกเลยนะมากกว่าอารมณ์กรรมฐานกับแทบทุกชนิดเพราะนั้นมันเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกคนที่เป็นมนุษย์และมีเหตุปัจจัยที่จะบรรลุทำได้นะเป็นบุคคลที่สมควรแก่การฝึกแก่การบรรลุธรรมอย่างนี้ <c oughs> อนาปานสติยังผู้จ้ายังบอกไว้อีกหลายอย่าง เช่นการกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสติสมาธิจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานทั้งสี่นั้นบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้งสีนั้นบริบูรณ์ก็เป็นเหตุให้โพชฌงค์ทั้งเจ็บริบูรณ์และเมื่อโพชฌงค์ทั้งเจ็บริบูรณ์แล้วเป็นเหตุให้วิชาและวิมุตติเกิดขึ้นอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วก็ซอยย่อยไปในสติปัฏฐานทั้งสีกายเวทนาจิตธรรมเมื่ออาาปาริบูรณ์ กายานุป offering, like REY, metal, in ัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออานาปาบริบูรณ์เวทนานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออานาปาบริบูรณ์จิตตานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออานาปาบริบูรณ์ธรรมานุปัสสนาบริบูรณ์อย่างไรแล้วก็ไล่แต่ละอันนะเช่นกายานุปัสสนาบริบูรณ์เนี่ยทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์อย่างไรวิชาวิมุตติปรากฏอย่างไรนะกายานุปัสสนาอย่างเดียวก็เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติปรากฏได้เข้าถึงวิมุตติได้นะแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียว ภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ลืมลงในลมนะชื่อว่าภิกษุนั้นมีสติสัมโพชงสติที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตัดสลุลธรรมแล้วก็อธิบายไล่มาถึงธรรมวิยยะวิริยะปิตนะิปัปสสิสมาธิอุเบคาตั้งจิตตั้งมั่นแล้วเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีนะเนี่ยจะมาถึงอยากให้เราเข้าไปศึกษาวิธีการอธิบายการภาวนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา เราไม่ค่อยเคยรู้เลยว่าผู้เจ้าเนี่ยก็เหมือนกับอาจารย์องค์หนึ่งนะ่ะที่นั่งอธิบายวิธีภาวนาเนะี่ยเรามาถามอาตมาอย่างเงี้ยภาวนายังไงอะไรก็เหมือนมาไปถามผู้เจ้าสิผู้เจ้าอาธิบายยังไงนะเจาะไปในเรื่องการภาวนาเราจะรู้ว่าอ๋อผู้เจ้าอาธิบายการภาวนาอย่างเราเนี่ยจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเหมือนมีผู้เจ้าเป็นอาจารย์ซึ่งสมพุทธประสงค์ไหมสมพุทธประสงค์เลยว่าให้มาสนใจของท่าน อย่า ก, กลัวพ ร, พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวนะเอาตัวเข้าไปใก้ชิดกับท่านหน่อยด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของท่านเนี่ยเราจะเกิดความเข้าใจในอันในธรรมแล้วก็แตกฉานมากครับเท่านอาจารย์ครับลูกลูกติพันธ์นิดนึงครับขออน<ม>ุญาต<ม>คือท่านอาจารย์พูดถึงว่ า, วาอานาประสริฐ ถ, ถ้าเกิดบริบูรณ์แล้วเนี่ยสติป<ม>ัญสีจะบริบูรณ์แล้วที่เหลือทั้งหมดก็จะบริบูรณ์ตามมาเรื่อยๆรื่อยใช่ทีนี้คําถามของผมที่ผมถามตั้งแต่แรกคือว่า จะทำยังไงให้อานาพนสติบริบูรณ์ครับนะเพราะว่าผมก็ถือได้ว่าไปไปปฏิบัติมาหลายสำนักเหมือนกันนะปรากฏว่าเขาสอนห ล, หลายแบบผมก็ลองทุกแบบทีนี้เวะลาเราไปอ่านอานาพนสติสูตรเนี่ยทําไมไม่เห็นเหมือนกันเลยเพราะว่าบางที่ก็ให้มีคําบริการบ้างออ บ, บางที่ก็ให้ดูกจุดกระทบ อ, อบางที่ให้ดูการไหวอ๋ออ๋อ อ, อะไร คือผมต้องการรู้ว่าออริจินัลเวอร์ชันของพระพุทธเจ้าแบบแบบว่าทดแทนเลยครับสมัยพุทธกาลนี่คือจะทำให้บริบูรณ์แล้วสตรีปัาสิกบริบูรณ์เนี่ยออกแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยทำทำยังไงครับก็ประเด็นที่โยมบอกมาตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นประเด็นที่แตกลูกไปโดยความเห็นของคนรุ่นหลังนะมีการใช้ความคิดเข้าไปนะมีการอะไรต่ออะไรเข้าไปนะ อย่างอนาปาในที่ผู้เจ้าท่านท่านบอกสอนเนี่ยเช่นสูตรเต็มเลยนะสูตรเต็มเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกยาวเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อเธอหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นเห็นไหมยาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะก็ไม่ได้บอกให้ท่องอะไรหรือว่าให้นั่นอะไรนะท่านตัดแค่นี้ตัดแค่นี้ก็แค่นี้นะอย่าเติมอย่าตัดสิ่งที่ผู้เจ้าท่านบอกสอนไว้นะคำผู้เจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วพยายามศึกษาและทําตามที่ท่านพูดแค่นั้นและท่านก็บอกว่าทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายท่านปวงหายใจเข้าหายใจออก ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกนี่ธรรมาช็อตสั้นนะธรรมาย่อมานิดนึงนะอืมถ้าโยมต้องการเต็มเต็มนะเต็มเ็มเนะี่ยท่านจะพูดซ้ําอย่างนี้แหละแต่นี่นี่คือเอาคีย์เวิร์ดมาแค่นั้นนะอืก็ก็ไปดูได้ในในอริยสัจจากพระโอษณนะภาคต้นหรือภาคปลายมีมีทั้งนั้นนะหรือในปฏิจจสมุปบาทก็จะมีเพราะเป็นเป็นคําสอนที่สําคัญท่านพุทธเจ้าจะเอาแท้ไปในทุกเกือบทุกเล่มนะในพุทธ ป, ประวัติก็น่าจะมี <c oughs> นี่เป็นเป็นกลุ่มที่จะอยู่ในกลุ่มของกายานุปสัสนาศิกฐานละทาแค่นี้ผู้เจ้าอธิบายแค่นี้แล้วก็อธิบายไปถึงโพชฌงแล้วก็วิชาวิมุตแล้วก็มาเริ่มอธิบายในส่วนของเวทนาอันนี้ท่านจะบอกไว้ไว้หลายสูตรนะในสูตรในสูตรที่บอกลวดมาทั้งหมดก็มีนะในสูตรที่บอกแยกมาเป็นชุดชุดชุดชุ ด, ช, ดชุดละสี่อย่างนี้ก็มี ท่านก็บอกว่ารู้พร้อมภิกษุนั้นเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็คือท่านบอกว่าหายใจเข้าแล้วก็รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกอาตมาก็มาย่อหายใจเข้าหายใจออกมันจะได้เร็วเวลามันน้อยให้เราเข้าใจรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกจิตตสังขารความปรุงแต่งของจิตนะ ทำจิตตสังขารให้ลำงับทีแรกเนะี่ยกายลำงับแล้วนะวาจาลำงับกายลำงับนี่ให้จิตตสังขารลำงับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นกลุ่มของเวทนานุปัสนาสิกฐานแล้วก็โพชฌงค์ใบบุญบิมุตใบบุญจะเดินแค่นี้ก็ได้ท่านบอกต่อมาอีกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตทําจิตให้ปลาโมดอยู่ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทําจิตให้ปล่อยอยู่ทั้งหมดมีหายใจเข้าหายใจออกตลอด ที่บอกตรงนี้พ่ออะไรเราจะได้รู้ว่าการทำสมาธิเมื่อยังมีลมหายใจก็เป็นไปพร้อมเพอวิมุตต์ได้ไม่ใช่จะต้องถึงสมาธิในระดับหมดลมหรือไม่มีลมคือในระดับชา้นที่สเพราะฉะนั้นชานหนึ่งายังมีลมหายใจอยู่ใช้เป็นบาตรฐานในการเข้าวิมุตต์ได้ทั้งหมด <c oughs> อันนี้เป็นส่วนจิตตานุปัสนาสิปัสสน์แล้วก็อธิบายไปจนพ่อชงบอยบูรวิมุตต บ, บิบู แล้วท่านก็บอกในในส่วนสุดท้ายในส่วนธรรมานุปัสนาสิกทานนะก็คือพิสูจน์นั้นเนี่ยตามเห็นความไม่เที่ยงนะหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความจางกลายหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าหายใจออกตามเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าหายใจออกเห็นความไม่เที่ยงนะความดับนะจางกลายความดับความสลัดคืนเห็นอนิจจังเห็นทุกขัง เห็นมันดับเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธนเห็นอริยสัจของมันนี่เรียกว่าตามเห็นอาการของจิตของทุกอาการนะลักษณะนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานยังมีลมหายใจอยู่ตลอดหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เป็นไปพร้อมที่จะโปะจงบริบุรแล้วก็วิมุตติบริบูรณ์นี่เต็มๆต็มก็แค่นี้พระองค์บอกเกี่ยวกับอนาปานสติว่า เป็นด้วยด้วยด้วยอานิสงส์ของมันที่มากตรงเนี้ท่านก็เลยบอกว่าแม้เราเองแม้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากตัวท่านเองท่านยกตัวท่านเองพระเจ้าเนี่ยเอาตัวมาเป็นประกันในการทําตรงนี้และเมื่อหลังการสรูแล้วก็อาศัยวิหารธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่เกือบทุกครั้งที่จำบรญสาการทุกครั้งที่พระเจ้าจำบรญสาอย่างเงี้ยพระเจ้าจะจำบรญษาตลอดสามเดือนด้วยอาณาปานาสติสมาธิ อยู่กัลมหายใจกาลมหายใจออกทั้งพรรษานะี่น่าสนใจมันนี่ท่านก็เลยบอกว่าอาณาปานสตินั้นจึงเรียกอีกอย่างเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกเท่านั้นนะอืมอีกอย่างว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าหรือพระอริยบุคคลหรือพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุด สมัยก่อนเนี Maybe, ่ยเขาคําว่าพรหมเนี่ยเขใช้กว้างมากนะเป็นเหมือนว่าสิ่งสูงสุดในยุคนั้นนะผู้เจ้าก็เลยเรียกว่าพรหมวิหารทุกอย่างเนี่ยผู้เจ้าโยงมาที่จิตตั้งมั่นหมดเลยสวดมนต์แล้วจิตตั้งมั่นเป็นเปื้อเพื่อวิมุตใช่ไหมอ่าแสดงธรรมแก่ชนเราได้เราหนึ่งแล้วอ่าได้ปิติได้สุขได้ความรู้ในอัตนในธรรมในขณะที่ตัวเองแสดงไปด้วย เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปพร้อมเพื่อพิมุติแสดงธรรมแก่ภิกษุเกิดความเข้าใจในในธรรมพร้อมไปด้วยเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปพร้อมเพื่อพิมุติใข้ควรในธรรมเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อพิมุติเข้าชานหนึ่งสจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อพิมุตินึกถึงสิ่งที่เราเริ่มสายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเป็นไปเพื่อพิมุติได้ทำยังไงก็ตามเห็นไหมมันจะโยงไปที่จิตตั้งมั่่นนนนเเเข้้้าาามุุตพระะะฉัทกอยงีจให สงบและหยุดนิ่งมาที่ที่เดียวก่อนแล้วก็สภาวะจิตที่หยุดนิ่งตรงนี้เป็นภาวะที่พร้อมต่อการเข้าวิมุตต์อยู่กับอุเบกขาแล้วปล่อยวางอุเบกขาหรือปล่อยวางปัจจุบันได้เป็นไปนเพื่อวิมุตต์แต่เราจะปล่อยวางปัจจุบันได้หรืออุเบกขาได้เราต้องจับตัวมันได้ก่อนตัวมันยังจับไม่ได้เลยและจะมาเห็นเห็นโทษของมันเราก็เลยไม่เห็นโทษของมันให้ควรมันไม่ชัดเจนใช่ไหมอ่า และการที่โยมนิ่งได้นั่นคือโยมสามารถวางอารมณ์อื่นๆได้วางราคานุสัยปฏิกานุสัยได้ความพอใจความไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆได้จิตเคลื่อนออกไปยังสนใจอยู่ปะจิตเคลื่อนไงนี้สนใจตรงนี้่ะจิตเคลื่อนนี้สนใจนี้มีภาวะตัณหาความสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยความอยากในพบในการสแสวงหาพบพบคืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ของจิตจิตโยมยังอยากไปหาพบอยากไปหาพบ แต่ดีหน่อยที่เมื่อมันดับแล้วเห็นอะก็ยังดีแต่เมื่อโยมเห็นดับเรื่อยๆเห็นโทษเรื่อยๆจิตอยากจะไปหาพบไหมไม่อยากมันจะต้องมีการพัฒนาที่ตัวเองไม่อยากไม่อยากสแสวงหาละวพระเจ้าจึงบอกการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อการลักขาดซึ่งพบซึ่งการสร้างอารมณ์อย่าไปสร้างอารมณ์เนี่ยจิตส่งออกก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุเกิดขอทงทุกข์เลยใช่ไหมพระเจ้าจึงบอกว่าจิตมีการมาการไปหรือเปล่า ท่านบอกว่านติยาอาสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีความน้อมไปคือความอยากถ้าโยมไม่อยากเนี่ยจิตจะมาไปไหมเรานั่งนิ่งๆสังเกตก็ไนดะ้จิตที่ไปเพ่อเลยมันอยากไปนั่นน่ะถ้ามันอยากอยู่แค่ตรงนี้มันจะไปไหมนี่หรือถ้าเราไม่อยากในอารมณ์เนี่ยรู้แล้วก็วางเลยอารมณ์มันจะต่อไหมมันก็ไม่ต่อมันต่อเพราะว่าเราอยากรู้รู้เรื่องหนึ่งขึ้นมา พรุ่งนี้จะไปทำอะไรคิดต่อเลยคิดซะหน่อยแถมสนิดนะ่ยมันก็ยาวไปเลยไม่กลับมาอยู่ตรงนี้ไ ม, ไม่พอใจตรงนี้ไม่มีสันทะตรงอุเบกขาใช่ไหมพระนิพงาบอกนติยาสติอาคติคตินโหติเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอาสติจตูป ป, ปาโตนโหติเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดย่อมไม่มีเคลื่อนคือตายนะอุปาตะคือเกิดจะไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มี อะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกพยายามหยุดจิตตสังขารอย่างที่ท่านบอกแล้วก็นิง่งแล้วก็ปล่อยวางตรงนิ่งอีกทีห น, นึ่งหถ้าอย่างนั้นนะเจ้าคะ่ะเออเราทําอนาปนาสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมคะใช่<ะ>ใชถ้าอย่างนั้นมันจะต่างกับที่ <c oughs> บางทีบางแห่งก็สอนว่าให้มีสติตามรู้ตัวอยู่เสมอคือมีสติตามทันทุกอิริยาบทอย่างนั้นก็ไม่ตั้งมั่นใชเจ้าค่ะ การตามทันทุกที่ก็ดก็ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับกายแต่นั่นเป็นในขณะที่กายเคลื่อนไหวพระเจ้าจะบอกวิธีว่าถ้าคุณเดินคุณภาวนาได้ยังไงเพราะคนเราเดินก็ตายได้เพราะคนเรามันนั่งอยู่เฉยๆตลอดไม่ได้งไงคนเรามันต้องเดินพอเดินพระเจ้าบอกเออถ้าเดินให้ภาวนาอย่างนี้และคนเราก็ต้องทํางานเฮ้ยทางานจะภาวนาไงพระเจ้ า, า อ, อ๋อจิตให้ฐานการงานเอาไปทํางานให้ทําอย่างนี้ก็คือให้ใจอยู่กับการทํางาน ถ้าใจเคลื่อนจากการทํางานปุ๊บให้ดึงกลับมาเหมือนยมสวดมนต์แล้วปากก็ไปทางใจไปทางนี่อ่าไม่อยู่แล้วใช่ไหมผมก็เอาใจดึงมาแอะอย่าเพิ่งไปไหนอย่างเงยอยู่สวดมนต์ตอนนี้สวดมนต์ใช่ไหมเนี่ยจิตให้ฐานการงานกวาดบ้านอยู่รู้ ก, กวาดบ้านนะคนนอนอยู่ทํายังไงครูเจ้าบอกภิกษุแม่นอนตื่นอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดในทางการภัยบาเปเบียดเบีย น, ย น, ยนอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าภิกษุนั้นทําความเพียนเผาเกลือดอยู่ตลอดเวลานอนทํำยังไงเดินทํายัางไง ยืนทำยังไงนั่งทายังไงทำงานทำยังไงพระเจ้าบอกวิธีภาวนาในทุกอิริยบทเพราะว่าความตายเกิดได้ทุกอิริยบทใช่และจิตก็ตั้งมั่นได้พระเจ้าบอกขณะที่ท่านเดินอยู่เนี่ยท่านสามารถเข้าฌานที่หนึ่งสได้สร้างจิตให้ตั้งมั่นได้พระเพื่อนกันเนี่ยอาจารย์รักษักอยู่สมัยอาตมาอยู่ปรรหาแรกท่านกวาด หลังคาอยู่จิตท่านเข้าฌานสีได้นะ่ะเพราะท่านเภาวนายอยู่ตลอดท่านก็มาเล่าให้ฟังนะเขอโอ้ฌานเข้าสมาธิง่ายอย่างนะสวดปฏิโมกอยู่จิตจะเข้าฌานสี่แล้วนะ่าก็ต้องลดระดับลงมาม่งั้นเดี๋ยวมันจะสวดต่อไปท่านก็ดึงกลับมาให้รู้ตัวอยู่กันสวดอือย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันทําได้ทุกขีปนกฏไงก็อยู่ที่ว่าผู้นั้นมีความชานาญหรือเลปล่านั้นขนาดที่เคลื่อนไหวเนี่ย <c oughs> ทำยังไงผูา้ายจึงบอกเดินรู้แค่เดินเรารู้นิ่งๆ ท, ท่านท่านตรัสว่ากายนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยระลิกของสติเท่านั้นสติเนี่ยมาละลิกถึงกายนิ่งๆเท่านั้นว่ากายเนี้เดินอยู่ขณะที่ยมเดินอยู่เนี่ยเท้าสัมผัส พ, พื้นไปเรื่อยๆจิตเคลื่อนไหมถ้าจิตเคลื่อน ไ, ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ยมดึงกลับมาให้รู้อยู่แค่เท้านีนิ่งแล้วนั้นเนี่ยไม่ใช่นิ่งแต่กายก็เคลื่อนไปแต่รู้แค่ว่าเดินจิตนิ่งนิ่งเอาอะไรเป็นตัววัด เอาว่าจิตเนี่ยอยู่กับกายไม่ได้ไปเกาะอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันที่เหลือ น, นิ่งๆแล้วมีกายยัตาสติกายจะอยู่ในอิริยบทใดได้หมดอยู่ในกายหรือเปล่าอาตมาจึงบอกว่าให้สังเกตแค่นี้ให้ระวังจิตผู้รู้เห็นกายก็เห็นจิตเพราะกายไม่รู้เรื่องอะไรนะกายเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนคนรู้กายน่ะนะจิตเพราะนั้นเวลาเห็นกาย ก็อยู่ที่ว่าโยมจะดูจิตหรือดูกายมันจะเห็นทั้งสองอย่างเหมือนน้ําในแก้วเนี่ยโยมมองโยมจะมองน้ําหรือมองแก้วอ่ะมันติดกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่รู้กายคือจิตพระพุทธเจ้าจึงบอกกายเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นนะพอปฏิบัติไปมากๆเข้าไม่ได้สนใจกายแล้วก็มาสนใจผู้รู้กายเฮ้ยใครรู้กายเริ่มเห็นแล้วนะก็มองจิตดูจิตเคลื่อนไปเคลื่อนออกจากกายไหมเคลื่อนปุ๊บกลับมา ขณะกลับมาเนี่ยจริงๆโยมเห็นทั้งการเกิดดับของรูปและนามเลยนะจิตเคลื่อนออกจากกายรูปดับแล้วนะดับจากความรู้ของจิตแล้วไปเช่นไปคิดอดีตขณะโยมคิดอดีตโยมไม่รู้กายแล้วนะไม่รู้ลมแล้วจิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาติเห็นนะได้คุณสมบัติอีกละโยมสามารถรู้คุณสมบัติของจิตหมดเลยรู้ได้ทีละเรื่องแล้วพอรู้อดีตไปสักพักหนึ่งสักนาทีหนึ่งมีสติและลึกถึงกายเพราะอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกนะ กลับมาปุ๊บโยมก็เห็นอดีตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าโยมมองทันตรงนี้พุเจ้าบอกแค่นี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วชื่อว่าผู้นั้นกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้รูปพือกายหรือลมนามธรรมคือสัญญาอาดีตบ้างสังขารอนาคตบ้างเวทนาสุขทุกเบเกาบ้างอย่างนี้นะและถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่า ไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ทำแค่นี้ไปยันพัลลานเลยแค่นั้นเข้าใจไหม